จเจริญพรท่านผู้มีกิจศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ทางวัดได้จัด วันทาบุญเพื่อแผ่นดินไทยนิมนต์พระมารับสังฆทานเพื่อญาติโยมจะได้ร่วมทาบุญและอุทิศส่วนบุญให้แก่ บ, บรรพบรุษของเราที่ได้ปกป้องรักษากอบกู้เอกราช ให้ประเทศชาติของเราอยู่ได้มาอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความสำนทกในพระคุณของวีรบุรุษผู้กล้าหาญผู้ปฏิชีพเพื่อรักษาแผ่นดินเพราะเราเชื่อว่า คนเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วตายเพียงแต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจจำต้องไปเกิดไปรับบุญรับกรรมต่อถ้าเกิดเป็นสภาพที่ต้องใช้กรรมก็ จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญอุทิศนี้ช่วยให้ได้ผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนกรรมที่หนักนั้นให้เป็นเบาได้พวกเราจึงนักจะอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเสมอ เป็นการกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะการอุทิศบุญนี้จะทำให้เรามีความสุขใจมีความสบายใจที่เราได้มีโอกาสตอบแทนผู้มีพระคุณหรือผู้ที่เรารักนี่คือการเป็นมาของ การทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งทางวัดก็ได้จัดมาทุกปีทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนม ก, กราคมปีนี้อาทิตย์ที่สองของเดือนม ก, กราคมก็ตรงกับวันที่9วันอาทิตย์ที่9้ามกราคมคือวันนี้ท่านเองญาติโยมจึงได้มาร่วมกัน ทำบุญเพื่ออุทิศและเพื่อพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปรับใช้เวรใช้กรรมตายไปก็จะไม่ได้รับผลบุญเลยเพราะบุญและกรรมนี้หรือบาปนี้อยู่ที่การกระทำของเรา ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจถ้าคิดบาปก็จะพูดบาและทำบาปถ้าคิดบุญก็จะพูดบุญและทำบุญวันนี้ญาติโยมคิดบุญคิดว่าจะมาทำบุญก็เลยพูดบุญก็คือชวนญาติพี่น้องมาร่วมทาบุญ แล้วก็มาทำบุญนั้นข้าวของต่างๆมาถวายพระนี่เรียกว่าเป็นการคิดดีคือคิดบุญพูดบุญและทำบุญเมื่อทำแล้วเราก็ได้มีบุญสะสมไว้ในธนาคารบุญพอถึงเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะมีบุญ พาเราไปเกิดที่ดีที่ชอบที่เรียกว่าสุคติคือภพของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าตามลําดับต่อไปเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากใครทั้งสิ้นถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ดังนั้นขอให้เราจงมีความเชื่อ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเรื่องของกรรมว่าสิ่งเหล่า น, นี้มีจริงแต่เพียงแต่เรายังไม่สามารถเห็นได้เท่านั้นเองเนื่องจากตาในของเราคือใจยังมืดบอดอยู่สิ่งที่พูดถึงนี้จำเป็นจะต้องใช้ตาใน คือใจตาทิพถึงจะเห็นได้เพราะว่าเป็นของทิพเป็นของละเอียด <c oughs> ที่ตาเนื้อไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธว่าไม่มีได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นการที่เรามองไม่เห็นนี่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นไม่มี เหมือนคนตาบอดจะไปปฏิเสธว่าในเรื่องในสิ่งที่คนตาดีมองเห็นไม่ได้เพราะว่าคนตาดีเขาเห็นกันอย่างพวกเรานี้เราเห็นรูปเสียงรูปต่างๆสีสันต่างๆแต่คนตาบออนี่เขามองไม่เห็นแต่เขาจะ ป, ปฏิเสธว่าสิ่งที่คุณเห็นนี้ไม่มีไม่ได้ ชันใดพวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดส่วนคนตาดีก็เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านมีตาในที่ไม่บอดนั่นเองท่านมีธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมธรรมก็คือความจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา คือตโลกสวรรค์บุญบาป <c oughs> การเวียนว่ายตายเกิดและการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสวาขาโตพระกัตตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่จดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่พูดตามความจริงพระพุทธเจ้านั้นไม่เคยตรัสคำเท็จพระคำคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกบท ท, กบ ท, ทุกบาท นั้นเป็นความจริงทั้งนั้นเราเชื่อได้อย่างสนิทใจไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกหลอกเพราะมีผู้ที่เชื่อและได้พิสูจน์จนเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั่นก็คือพระอาเรียรสงสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะสามารถเห็นตาม ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้พวกเราในเบื้องต้นก็จำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อก่อนถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะไม่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะไม่เห็นความจริงต่าง ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นเองดังนั้นเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเชื่อในพระรันตนตรัยเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและเชื่อพระอาวุโสสงสาวกทั้งหลายว่าท่านไม่ได้มาหลอกเราท่านไม่ได้มาหวังอะไรจากเราเพราะใจของท่านนั้นเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเปรียบเทียบก็คือท่านเป็นมหาเศรษฐีแล้วเงินทองที่ท่านจะได้จากเรานี้เทียบไม่ได้กับเงินทองที่ท่านมีอยู่ดังนั้นการที่ท่านนําความรู้ที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรานั้นนําออกมาจากใจ ที่มีความสงสารสัตว์โลกอย่างพวกเราเท่านั้นเองทรงเห็นว่าพวกเรานี้ยังตามืดบอดอยู่ยังไม่รู้ผลของการกระทำของเราว่าเป็นอย่างไรกันพระองค์ทรงห่วงทรงเห็นว่าเราถ้าไม่มีคำสอนของพระองค์มาเป็นเครื่องนําทางก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่มีโอกาสที่จะไดพ้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นบรลมังสุขปารังสุขขังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตะสาวกทุกลูปได้มีไว้ครอบครองซึ่งทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเลยถ้ารู้จักทางถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติทท้งนั้นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสละเวลาที่ทรงเหลือหลังจากที่ทรงตัดจารูแล้วเป็นเวลาถึง45ปีด้วยกันบำเพ็ญภารกิจของพระพุทธเจ้า5ประกาศทุกวันเพื่อโปรดสัตว์เพื่อสงเคราะห์สาโลกให้สว์โลกได้รู้จักแนวทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่จะทำให้หลุดพ้นจากเวรกรรมทั้งหลายที่จะทำให้ได้ไปถึงสุคติที่สูงสุดก็คือพระนิพพานภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงบาเพ็ญอยู่ประจำนั้นมีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งในตอนบ่ายจะทรงอบรมสัง่งสอนศัทธาญาติโยม ในตอนค่ำจะทรงอบรมสั่งสอนพระภิกษุสมมามเณรในยามดึกจะทรงอบรมสั่งสอนเทวดาและใ น, น ใ, นในตอนก่อนจะสว่างก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินบาตรโปรดสัตว์ก็ทรงเลงยานดูว่าใครบ้างที่จะพร้อมรับกับพระธรรมคาสอนของพระองค์ หลังจากนั้นพระ อ, องคก็จะเสด็จออกไปบินตบาทแล้วก็จะไปโปรดบุคคลที่ทรงเห็นว่าพร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์และพร้อมที่จะบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธการจึงปรากฏมีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากมีพระ อ, อริยสงสาวกขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและพระอาหารหันต์เป็นจํานวนมากเป็นเรื่องไม่แปลกเลยที่มีการบรรลุธรรมกันเพราะว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นความจริงล้วนๆตางกับธรรมที่ได้มีการสั่งสอนในปัจจุบันนี้จะเป็นธรรมที่ยังไม่เป็นธรรมที่ สะอาดบรยสุดเพราะจิตใจของผู้แสดงนั้นยังไม่สะอาดบริสุดยังมีความโลภความโกรธความหลงเจือปนอยู่ในใจเหมือนกับผู้ที่ทํากับข้าวหรือเอากับข้าวมาให้เรารับประทานถ้ามือเขาสะอาดอาหารก็จะสะอาดถ้ามือเขาไม่สะอาดอาหารเขาก็จะต้องมี ความไม่สะอาดปนมาด้วยนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงหรือพระอาหารหันตสาวกที่ทรงสแสดงเป็นธรรมะแทร้อยเปอร์เซไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแต่ธรรมะของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจ า, <c oughs> จากกิเลสคือความโลภ <c oughs> ความโกรธความหลงนี้ ยังจะมีปิเลตเข้ามาเจือปนอยู่ทําให้ผู้ฟังนั้นสับสนได้ไม่สามารถบรรลุธรรมเหมือนกับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหรือพระอาหารหันตะสาวกทรงสแสดงและอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ผู้ที่ฟังด้วยว่าฟังด้วยจิตศรัทธาหรือไม่บางครั้งเราไปฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังกัน เราไม่มีจิตศรัทธาที่จะฟังกันเราไปก็เพราะว่าไปมีงานให้เราต้องไปเท่านั้นเช่นไปงานศพไปงานอะไรต่างๆที่เขาได้นิมนพระมาเทศให้เราฟังบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่มีศรัทธาที่จะฟังผู้เทศก็ไม่ได้มีธรรมะที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มาเทศให้ฟัง การฟังจึงไม่ค่อยมีการบรรลุธรรมเหมือนในสมัยพระพุทธการเพราะในสมัยพระพุทธการผู้แสดงก็แสดงทำแทร่ลวนรวน100้อยเปอร์เซตผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือฟังด้วยศีลและสมาธิและสติผู้ที่มีกายวาจาที่สงบก็คือผู้ที่มีศีลผู้ที่มีใจที่มีสติ ตั้งมั่นคอยรับฟังเสียงธรรมก็ปีนสมาธิแล้วเมื่อฟังด้วยปัญญาไขขวนตามจึงได้บรรลุ ธ, ธรรมกันได้อย่างง่ายดายนี่คือเคล็ดลับของการบรรลุ ธ, ธรรมถ้าเรามีปัญญาพอที่จะรับธรรมะของพพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราฟังด้วยจิตศรัทธาที่มีความตั้งใจฟัง เชื่ออย่างร้อยเเซแล้วนำเอามาไข้ควรด้วยกำลังสติปัญญาของเราเราก็จะได้บรรลุธรรมได้เช่นเดียวกั น, นอย่างในสมัยพระพุทธการแต่จำเป็นต้องฟังจากพระอริยสงฆ์พระอาหารหันต์เท่านั้นถึงจะได้รับอนิสงส์อย่างนี้จึงไม่เป็นเรื่องอผิดปกติ ที่จะมีผู้ปฏิบัติมักจะแสวงหาพระอาจารย์ที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วเพราะเวลาได้ฟังธรรมจากท่านเหล่านั้นเขาจะได้รับอ น, นิสงส์จากการฟังธรรมอย่างที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่5้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปสามจะกำจัดความลังเลสงสัยได้สี่จะทำให้จิตใจผ่องใสห้าจะทำให้เกิดปัญญามีสัมมาทิฏฐิบรรลุธรรมขึ้นมาได้นี่คือหน้าที่ ห ร, หรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ท่งมอบให้แก่สัตว์โลกทุกๆวันทรงโปรดสัตว์ทุกๆวันด้วยวิธีการนี้คือการอบรมสั่งสอนสัมโลกเพื่อให้สัตว์โลกได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันพระ อ, องค์ไม่เคยสนใจกับการสร้างวัดเลยไม่เคยสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆมากมายกายกอง เหมือนกับที่พระในสมัยนี้กำลังสร้างกันทำไมพระสมัยนี้จึงไม่มองพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาาเอามาเป็นแบบฉบับทำไมกับทำในสิ่งที่ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้ทำกันต้องไม่ได้ทรงสั่งสอนพระภิกษุสมณีให้สร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรต่างๆที่เป็นทาวลวัตถุต่างๆ ทรงสั่งสอนให้พระภิกษุและพุทธบริษัทนั้นสร้างมรรคผลมิพานด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วนําสิ่งที่ได้ศึกษานี้มาปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่ตั้งหาคือหน้าที่ของพุทธบริษัทเราไม่ได้ใช่ไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่น ให้สร้างเรือนใจให้สร้างที่อยู่ของใจตอนนี้ใจของเรายัางเร่ร่อนอยู่ยังไม่มีบ้านต้องเร่ร่อนไปอาศัยร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยแต่ร่างกายก็ไม่เที่ยงมีอายุไม่ ย, ยาวนานอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ต้องตายไปพอตายไปก็ต้องไปหาบ้านใหม่ เลร่อนไปอย่างนี้มาไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วจนกว่าจะได้มาพบกับพ่อพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีสร้างเรือนใจสร้างบ้านให้แก่ใจแล้วนำเอาวิธีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพอพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้ามีศรัทธาน้อมเอามาปฏิบัติ เราก็จะมีบ้านอยู่ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะมีบ้านที่ครบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอํานวยความสุขให้กับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในบ้านของเราได้เลยนั่นก็คือพระนิพพานนี้เองดังนั้นขอให้พวกเราจง อย่าลืมหน้าที่ของเราเรื่องการก่อการสร้างนั้นก็มีความจำเป็นบ้างก็ทำไปแต่ขอให้สร้างเพื่อเอามาทำประโยชน์เช่นที่อยู่อาศัยกุฏิของพระสาลาที่จะต้องใช้ทาภารกิจก็ทำไปแต่อย่างอื่นที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปสร้างให้มันมากจนเกินไปเช่นพระพุทธรูปนี้สร้างกันจนล้นวัดเป็นวัดไปหมด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้พบกับความเจริญก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าของเรานั้นต้องทุ่มเทไปอยู่ที่การรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมทานเราก็ให้ตามที่สมควรเช่นปัจจัยสีอาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคอย่างนี้เราก็ให้ไปได้ถ้าขาดแคลน ถ้าเหลือเฟือแล้วก็ก็ควรที่จะเอาไปทําอย่างอื่นสงเคราะห์ผู้ที่เขาเดือดร้อนต่อไปการทําบุญนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทากับพระอย่างเดียวถึงจะได้บุญทาบุญกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระก็ได้บุญเช่นกันเช่นทําบุญกับพ่อแม่นี้ก็ได้บุญพ่อแม่นี้ก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกๆถ้าพ่อแม่เดือดร้อนลำบาก เราไม่ดูแลเรากลับไปทาบุญกับพระเพราะเราคิดว่าเราจะได้บุญอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเราควรจะทำบุญกับพระในบ้านของเราก่อนคือพ่อแม่ของเรนี้เป็นพระของเราเราไม่ควรทอดทิ้งท่านโดยเด็ดขาดยังไงยังไงก็ต้องเลี้ยงดูท่านก่อนเมื่อท่านอยู่สุขสบายแล้วเราค่อยไปทำบุญกับพระนอกบ้านต่อไป ไม่เช่นั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนอากตันยูไปเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูกตวเวทีไม่มีความสำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณของท่านเราก็จะไม่จะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปในทางที่ดีที่งามได้เลยเหมือนกับการสร้างบ้านที่ไม่ได้ตอกเสาเข็ม ถ้าจะสร้างบ้านเป็นตึกสูงสูงหลายชั้นถ้าไม่ตอกเสาเข็มเดี๋ยวสร้างไปแล้วไม่ น, ะมนานดินก็จะสุดตึกก็จะสุดลงมาถล่มลงมาได้ฉันใดการที่เราจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ก้าวหน้าหรือสร้างเรือนใจของเราเพื่อพระนิพพานนี้ได้เราต้องมีรากฐานที่แข็งแรง ก็คือเราต้องมีความกรตตัญญูกัตเวทีเป็นรากฐานของการสร้างความดีทั้งหลายนั่นเองดังนั้นเราทำบุญกับใครก็ได้ขอให้ดูที่เหตุที่ผลที่ความจำเป็นเป็นหลักถ้าที่เราเคยทำนี้มีมากแล้วล้นแล้วเหมือนน้ำที่มันเต็มแก้วแล้วเราจะเทน้าลงไปในแก้วทำไม เทก็ไปเท่าไหรมันก็ล้นไหลออกมาไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทํากับที่เขาขาดแคลนดีกว่าเพื่อเขาจะได้ได้รับส่วนบุญของเราได้รับความช่วยเหลือจากเรายกเว้นถ้าเราไปทําบุญที่เขาเอาสิ่งที่เหลือที่ใช้นี้เอาไปทําประโยชน์ต่อให้กับเราอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นวัดบางวัด ท่านมีของมากท่านก็เอาไปจำน่ายจ่ายแจกสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนต่อไปหรือผู้ที่มีน้อยต่อไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเอาไปแล้วเอาไปเก็บสะสมไว้ไม่ยอมเอาไปจำน่ายจ่ายแจกแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นปล่อยให้ของเสียหรือของชำรุทุตโสมแล้วก็ต้องทิ้งไปในที่สุดอย่างนี้ก็ไม่น่าที่จะไป ไปให้เพราะว่าให้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องของการทำบุญให้ทานที่เราควรทำตามความจำเป็นไ ม, ไม่ควรจะทำมากเกินไปจนเราไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรม เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถ้าเราเพียงเห็นว่าเรานี้ตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่เงี้ยรับรองได้ว่าเราจะไม่กล้าทําบาปกันเราจะอยากแต่ทาบุญอย่างเดียวบุคคลที่จะเห็นอย่างนี้ได้ก็คือพระอริยบุคคลขั้นแรกที่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านตายไปนี้แล้วท่านจะต้องไปเกิดใหม่ ท่านจึงไม่กล้าที่จะทำบาปอีกต่อไปท่านจะรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตของท่านและท่านจะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ว่าพ ร, พ, พระพุทธเจ้าตัดสรู้จริงหรือไม่พระธรรมคาสอนสามารถพาให้จัตติโลกหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หรือไม่ ผู้ที่ปฏิบัติตามจนกายเป็นพระ อ, อริยสงสาวกขึ้นมานี้มีจริงหรือไม่ในใจของพระโสดาบันนี้จะไม่มีความสงสัยอีกต่อไปและจะไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างที่เคยเชื่อเคยทำมาก่อนเช่นสเดาะเคราะห์ไปหาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อไปทำอะไรที่มันไม่ได้มีมีผลกระทบต่อต่อ ต่อชีวิตของเราจะทำแต่สิ่งที่มีผลกระทบอยู่เท่านั้นก็คือบุญอย่างเดียวบาปก็จะไม่กล้าทำอีกต่อไปเพราะจะไม่อยากที่จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมต้องไปเกิดในอบายนั่นเองนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาพราะธรรมคำสอนและปฏิบัติอย่างเพ่งครัมอย่างสม่ำเสมอมี ไม่มีการปฏิบัติยอดท้อหรือลดน้อยถอยลงไปมีแต่จะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จงานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้คือจนกว่าที่จะเสร็จการสร้างบ้านของเราสร้างเรือนใจของเราเมื่อเสร็จงานนีแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอีกต่อไปเพราะเราได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแล้วถึงแม้เราจะมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ต้องปฏิบัติทำอีกต่อไปเราก็อยู่อย่างสบายสบายไปจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมก็นั่งไปอย่างนั้นเองเดินจงกรมไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้นั่งหรือเดินเพื่อที่จะสร้างธรรมะขึ้นมาเพราะธรรมะที่ได้สร้างนั้นได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานจริงเสร็จงานทางพระพุทธศาสนานี้มีวันสิ้นสุดลงแต่งานทางโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดญาติโยมทําไปจนวันตายก็ไม่สุดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมันจะมีอะไรมาคอยล่อคอยหลอกให้เราทําอยู่เสมอถ้าเรายังต้องทํางานอยู่แล้วเราจะมีความสุขความสบายได้อย่างไรคนที่ไม่ต้องทํางานต่างหาก เป็นคนที่มีความสุขความสบายพวกเราทุกคนก็อยากจะสุขอยากสบายกันไม่อยากจะทำงานกันแต่เราถ้าไม่ทำเราก็รู้ว่าเราจะต้องลาบากเราจะต้องอดอยากขาดแคลนเพราะงานของโลกเป็นอย่างนี้แต่งานทางศาสนานี้เป็นงานที่มีวันสิ้นสุดได้ขอให้เราทำกันเถิดแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะ เป็นผู้ที่ตกงานหรือผู้ที่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปเพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านไม่ต้องทำงานอะไรต่อไปแล้วหลังจากที่สังขารร่างกายของท่านแตกดับไปแล้วท่านก็ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วท่านมีบ้านของท่านอยู่แล้วไม่ต้องไปหาบ้านใหม่อย่างพวกเราพวกเรานี้ตายไปถ้ายังไม่ได้สร้างบ้านของเราให้เสร็จสิ้นลง เราก็ต้องไปอาศัยบ้านของคนอื่นก่อนถ้าเป็นบาปพาไปก็จะไปเอาร่างของนกของกาของหมูของสุนัขมาอาศัยเป็นบ้านไปก่อนแล้วจนกว่าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ร่างของมนุษย์แล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนามาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเท่านั้นถึงจะได้บ้านของเราดังนั้นชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะว่าชาติต่อไปนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสานาหรือเปล่าถ้าเราไม่พบเราก็จะเหมือนกับไม่มีคนบอกเราให้รู้ว่าเราต้องสร้างบ้านของเราเราก็จะมัวไปสร้างบ้านของคนอื่นไปสร้างไปสร้างทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราหลังจากที่เราตายไปแล้วมีชาตินี้เท่านั้นที่เป็นโอกาสที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุด เพราะว่าต่อไปนี้จะไม่รู้ว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไรเพรา ะ, พ, ระพ่อพุทธศาสนาของเรานี้ก็มีอายุไม่เกิน 5.000 ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกับกว่าจะมีพระพุทธศาสนาอีกใหม่มาปรากฏมาสั่งสอนสัดโลกอีกดังนั้นขอให้เรารีบตักตวงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพรอพุทธศาสนาในชาตินี้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยความตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้มากฟังเทศฟังธรรมให้มากและนําเอาไปปฏิบัติให้มากจนกว่าเราจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพบกับพรพุทธศาสนาในชาติต่อไปเพราะเรามี พ, พุทธศาสนาอยู่ในใจของเราแล้วก็คือดวงตาที่เห็นธรรมนี่เอง แสงสว่างแห่งธรรมที่เรียกว่าธรรมะจกักษุนี่แหละคือองค์องค์ของศาสนาองค์ความรู้ของศาสนาอยู่ที่การมีดวงตาเห็นธรรมนี้เองเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นมรรคผลนิ่ผ่านถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ลืมจะติดไปกับใจทุกชาติที่เกิดมาก็จะทําบุญอย่างเดียวไม่ทําบาป จะนั่งสมาธิจะเจริญปัญญาจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานานี่ดังนั้นถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สามารถที่จะสร้างบ้านของเราให้สำเร็จบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเราก็ถือว่าเราปลอดภัยแล้วเพราะเรามีพบชาติไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก เราจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์และบรรลุพระนิพพานได้อย่างอย่างชาติที่สุดก็เพียงเจ็ดชาติทนั้นเองและไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปนี่คืออนิสงส์ผลบุญที่จะได้รับจากการศึกษาและปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราขอให้มีศรัทธาและนำเอาไป ป, ปฏิบัติเท่านั้นประโยชน์สุขต่างๆที่เราต้องการก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป